ต่อจากนี้ไปเป็ น, นรายการทุกปัญหาชีวิตดำเนินรายการโดยท่านจันทเสตโทและพ่อท่านโพทิรักวันนี้เสนอตอนจิตคืออะไรที่ขึ้น fm 103เมื่อวันที่19มกราคม2542ขอิเชิญท่านติต า, าฟังได้นะบัตร สุภเลิกเบิกบานสรานจิตฟังรายการทุกปัญหาชีวิตเธอมิสหายถึงทุกทนหม่นไม่ทั้งใจกายทุกปัญหาชีวิตจะผ่อนคลายสลายทุก นบบัดนี้เราขอนําท่านทั้งหลายสู่บรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิตรายการทุกปัญหาชีวิตมีความเป็นมิตรเป็นญาติเป็นเพื่อ น, เ ป, นอเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องสําหรับท่านทั้งหลายที่กําลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้บรรยากาศยามนี้เป็นบรรยากาศแห่งความสดชื่นท่านทั้งหลายที่กําลังติดตามฟังรายการอยู่มีความสดชื่นในทางจิตใจหรือไม่ความเบิกบานแจ่มใสว่ากันว่าเป็นกําลังใจไฟชีวิตหรือเป็นกํำไรของชีวิต เมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าสู่เจ้าจงดีใจที่ลมหายใจยังมีอยู่หมายความว่าอะไรอะไรที่มันจะสูญสิ้นไปก็ช่างมันเถอะถ้าเรายังมีลมหายใจเหลืออยู่ก็คงจะทำให้เราเองมีความหวังที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆใหม่ๆขึ้นมาได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอบอกกับท่านทั้งหลายก็คือว่าเรื่องจิตใจนะภาวะจิตใจของคนเรานั้นมีความจาเป็นไม่ใช่น้อยที่เราจะต้องรักษา นะว่ากันว่าถ้าเรารักษาจิตเนี่ยถ้าก็ว่าเรารักษาอย่างอื่นทั้งหมดเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไม่รักษาจิตก็ถ้าก็ว่าเราไม่รักษาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาจิตก็เป็นสิ่งที่มีความจําจเป็นมีความสําสคัญหาน้อยไหมวันนี้ได้กราบนิมนต์พ่อท่านสมณพอดิรักมาสู่บรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิตนะอยากจะขอนิมนต์พ่อท่านสู่รายการแล้วก็มาพูดคุยนํารายการกันเรื่องจิตสักนิดหนึ่งเพราะว่าอีกไม่กี่วันได้รับนิมนต์ให้ประเทศที่ เอ่อเทศที่ชนบุรีกับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักธุรกิจจังหวัดชนบุรีแล้วก็จะต้องไปเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับเรื่องออความลับของจิตอะไรประเภทนี้นะพอดีในความรู้ความเข้าใจของตอนผู้ที่กําลังพูดอยู่ในขณะนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งมากเท่ากับเพราะท่านสมณพอดีรักก็คิดว่าคงจะได้รับฟังท่านเป็นแนวนะ เพื่อที่จะเป็นความรู้ในการทำความเข้าใจในเรื่องความลับของจิตแล้วก็พอดีกับคุณสิทธิทชัยะนะได้ส่งประเด็นสอบถามมาเมื่อวันพฤหั ส, สบดีที่ผ่านมาว่าสอบถามพ่อท่านว่าหนึ่งจิตคืออะไระนะอะไรทำนองนี้บางคนถามมาว่าจิตกับใจเหมือนกันหรือไม่จิตกับวิ ญ, ญญาณต่างกันอย่างไระนะอะไรทานองนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตนาคำอธิบายของพ่อท่านมาเป็นประเด็นนารายการในวันนี้ ว่าเรื่องจิตใจวิญญาณสุดแท้แต่เพราท่านจะพิจารณาขอกราบนิมนต์พระท่านเข้าสู่รายการเลยนะครับขอกรบาบนันตสการครับเจเริญธรรมทุกทุกคนครับผมอยากจะนิมนต์พระท่านอถ า, าธิบายตามที่ผมได้ตั้งประเด็น เ, เมื่อสักครู่นี้ครับห อ, เ, อเรื่องของจิตเรื่องของใจหรือเรื่องของวิญญาณเรื่องของอะไรแตดในภาษาไทยเราก็ว่าใจ ครับผมภาษาทางบาลีมีมากคํนะมีจิตมีวิญญาณมีมโนอะไรพวกนี้นะอ่าก็สรุปรวมก่อนคําว่าจิตรู้ใจใจในภาษาไทยก็คือจิตนั่นแหละหรือวิญญาณนะซึ่งจะเราเราจะเข้าใจคาว่าวิญญาณมีความหมายมีในยะสำคัญที่ต่างกันไปจากคําว่าจิตบ้างมโน ซึ่งมโนโก็คือใจหรือมโนโก็คือจิตนี่แหละความหมายของมันก็คือลักษณะเป็นการเรียกลักษณะเรียกลักษณะของสภาพนามธรรมาชนิดหนึ่งที่มีมีอยู่ในตัวคนเราถือว่ า, าในตัวคนเรานี่มีมีกายแล้วก็มีจิตมีกายแล้วก็มีจิต บางทีเขเรียกว่ามโนบางทีก็เรียกว่ า, า, าวาิญญาณนะในจิตเราก็เรียกว่าวิญญาณก็ได้แต่ที่นี้คําว่าวิญญาณในเรียกรวมความหมายของลักษณะของสภาพนามธรรมาอันนี้ก็คือลักษณะาธาตรู้เป็นาธาตุนามธรรมนะเป็นนา ม, มาาธาตุชนิดหนึ่งนะไม่มีรูปร่างมันมีตัวตน พระพุธธทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอันนี้นะไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอสริร่างหรือว่าอนัตตาอะไรงนี้เป็นต้นไม่มีตัวตน mm hmm. คําว่าไม่มีตัวตนคํานี้ก็กินความหมายเยอะคําว่าอนัตตานี่จึงเราใช้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งสูงสุดในาศาสนาพุทธด้วยแล้วค่อยพูดกันไอ้เรื่องนี้อนัตตานี่ยังตอนนี้ก็เห็นเป็นปัญหาอยู่ในสังคมเรื่องอนัตตานี่พูดกันถกกันหน่าดูเลยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องคําว่าจิตหรือใจนี่ก่อน เป็นธาตุรู้เป็นตัวความรู้มันรับรู้ได้มันจาก็ได้มันกำหนดรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันสำคัญมั่นหมายกับอะไรแต่ใดคืออาการของจิตสมรรถนะของจิตมันสามารถกำหนดรู้สามารถปรุงแต่งสามารถปรุงแต่งแล้วมันก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ก็ว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานชนิดนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เก่ง วิทยาศาสตร์ยังค้นยังปปยังเรียนรู้ยังไม่ไม่ไม่ถึงยังไม่เข้าใจในความวิจิตพิสดารของอจิตหรือใจหรือวิญญาณนี่เป็นคำแทนกันเท่านั้นเองจะมีลักษณะที่ต่างกันไปลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็อพอได้ถ้าบอว่าจะแยกคำว่าจิตกับวิญญาณนี่ต่างกันไปบ้างก็ได้เช่นยกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นนะเปรียบเทียบ แต่ว่าจะไปเหมือนกันทีเดียวคงไม่ได้แต่ก็พอพอเข้าใจได้เช่นคำว่าจิตเนี่ยกค็คล้ายๆกับเราเรียกคนเราว่าผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนวิญญาณนี่ก็คือแทนคำว่าคนนะแทนคำว่าคนเพรา ะ, ะนั้นคำว่าวิญญาณในรวมเลยเป็นภาษาใหญ่เรียกรวมไปทั้งหมดในอาการนี้ในสภาพลักษณะอย่างนี้ ไม่ว่าจะมีอยู่อย่างไรในอาการอย่างไรในลักษณะอย่างไรแม้แต่ในลักษณะของกรรมของวิบากในลักษณะของกรรมของวิบากวิบากที่มันยังมีสภาพอันหนึ่งอยู่เป็นพลังงานที่ยังไม่สูญหายไปหรือว่ายังไม่สลายไปยังไม่จบสิ้นไปเราก็เรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณสภาพของพลังงานแบบวิบากอยู่ใน ตัวเราเราก็เรียกอยู่มันไม่อยู่ในตัวเราแล้วมันอยู่ในอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเหมือนกันว่าบอกไม่ได้ว่ามันเป็นลักษณะไหนนะวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตประพังวิญญาณเนี่มันอนิทัศนังคือมันเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้ชี้ให้กันรู้ไม่ได้ออนิทัศนังอนันตัง มันไม่มีขอบเขตมันไม่มีกรอบมันไม่มีการกําหนดมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันใครไปบอกว่าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นการพูดดาวออกทางนั้นพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้ตรัสเอาไว้เลยท่านก็ตรัสไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบอกไม่ได้อานิทัศน์สนาคือบอกไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เอาเห็นแบบเอามาพูดสู่กันฟังให้เกิดทัศน์าให้เกิดการรับรู้นี่ไม่ได้หรือว่าอนันตัง มันไม่มีไม่มีขอบเขตไม่มีกรอบไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีไกลไม่มีใกล้ไม่มีอยู่ตรงนั้นไปตรงนี้ไม่มีที่กําหนดไม่มีสถานที่นะแต่เราไปพูดเอาเถอะนาหน่อยอยู่สถานที่นั้นอยู่สถานที่นี้แล้วกาหนดมันไปเป็นภาษารูปธรรมเช่นว่าอยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์อะไรเงี้ก็พูดกันไปการใช้โวหารบอกเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วลักษณะของพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณหรือพลังงานที่เรียกว่าจิตเนี่ย เป็นพลังงานที่ไม่ได้มีที่อยู่นะไม่ได้มีที่อยู่สามารถที่จะมาอยู่ในตัวคนได้บ้างาสามารถอยู่ในตัวคนก็เพราะว่าตัวคนนี้มีลักษณะพิเศษนะมีลักษณะพิเศษแล้วก็ท่านเรียกในตัวคนนี้ว่าค uh ู่หาสยังนะท่านตัดไปชัดไปนเจนมนกันว่ารู่หาสยังอยู่ในสภาพที่มันเหมือนกับอยู่ในถ้าอยู่ในห้องอยู่ในอะไรจังนี้เป็นต้น เป็นครูฮัสยังอยู่ในคนได้นอกจากไม่อยู่ในคนเราก็ไม่ไปเรียกว่าเป็นสภาพอยู่ตรงไหนแต่คนก็ไปเดา ว, ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเกา ะ, ะอยู่ที่ต้นไม้มัง่งเกาะอยู่ในสถานที่อย่างโ น, น้นอย่างนี้อะไรตัวอะไ ร, ะไรกันเดาส่งกันไปเรื่อยอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งเป็นการเดานะมันไม่ใช่สภาพของความจริงแต่เอาเถอะ เราก็ไมไปพูดวิจารณ์ถึงเรื่องอย่างนั้นต่อไปเราจะพูดกันอยู่แค่ว่าเราจะพูดอยู่แค่ว่าอธิบายลักษณะจิตเป็นธาตุรู้เช่นสมมติว่าอยู่ไม่จะสมมติะยังอยู่ในตัวเราเนี่เราลองลองอ น, นั่นดูก็ได้นะเราลองสังเกตดูก็ได้ยังอยู่ในตัวคนเนี่ยจิตมีใช่ไหมหรือเราเรียกว่าจิตจะเรียกว่าวิญ ญ, ญาณก็ตามเราเรียกว่าจิตเราเรียกว่าวิญ ญ, ญาณมี มีอยู่ในตัวคนแน่นอนแต่ว่าอยู่ในตัวคนนี่เราบอกไม่ได้ว่าจิตหรือวิญญาณ น, นีอ้อยู่ตรงไหนอยู่บนหัวอยู่ปลายตํมูหหรือว่าอยู่ที่หัวใจสูบฉีดโลหิตเนี่ยหรือว่าอยู่ปลายเท้าอยู่ข้แข้งอยู่บนขา ไม่อยู่ตรงไหนแน่นอนทั้งนั้นถ้าเราจิ้มลงไปตรงไหนแตะลงไปตรงไหนเราก็เกิดความรู้สึกตรงนั้นก็คือจิตทั้งนั้นปลายนิ้วก็มีจิตแตะเพิ่ไปบนหัวก็จิตะเป็นปลายจมูกก็จิตแตะลงไปตรงไหนนะตรงไหนมันก็เป็นจิตเป็นความรู้สึกรับรู้ได้ทั้งนั้นอย่างนี้เป็นตน้นนั่นคือพลังงานที่รับรู้สึกได้รับรู้สึกเราเรียกว่าเวทนาซึ่งเป็นส่วนย่อยเรียกลงไปอีกเหมือนกับคนชื่อนั้นชื่อนี้น่ะ จะว่าที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าจิตเราเรียกคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเทียบได้เหมงนั้นถ้าวิญญาณเราเรียกคล้ายๆเทียบได้กับว่าคนคนนี่จะรวมไปหมดเลยไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนแก่อะไรแล้วแต่หรือแม้แต่คนชื่อนั้นชื่อนี้อะไรก็รวมอยู่ในวิญญาณหมดนี่ยคล้ายๆงั้นหรือย่อมในคําว่าคนวิญญาณมีความกว้างอย่างนั้นคําว่าวิญญาณส่วนคําว่าจิตนั่นก็คล้ายๆกับคำว่าคนอ่า ขออภัยม่ใช่คำว่าผู้ชายหรือคําว่าผู้หญิงหรือคําว่าเด็กหรือคําว่าคนแก่อะไรงนี้เป็นตน้นนะส่วนเจตสิกมันละเอียดลงไปอีกเลยเป็นอาการของจิตอีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นนะซึ่งเราต้องค่อยศึกษากันถ้าไปว่าศึกษาธรรมะของพระเจ้าดีๆแล้วเราจะเข้าใจจิตเจตสิกต่างๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือแม้แต่อาการของสิ่งที่มันเป็นอกุศลเจตสิกซึ่งมันก็ เป็นกิเลสตันหาอุปทานอกุศลเจตสิกหรือเป็นกุศลเจตสิกก็เป็นอาการหรือว่าสภาพที่มันเป็นพลังงานของจิตที่ดีที่เราจะต้องอาศัยมันส่วนอกุศลนั้นไม่อาศัยมันมันก็มาออกฤทธิ์ออกเดชให้แก่เราอยู่อย่างนี้เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องจัดการปราบปรามหรือว่าทําลายจิตหรือทําลายส่วนที่เป็นอกุศลที่เป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งให้ได้ในศาสนาพุทธเราเรียนแรกวิจัยวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่เห็นตัวเห็นตนอสรีรังไม่เห็นตัวเห็นตนนี่แหละแต่เราสามารถที่จะมียานสามารถสัมผัสรู้ได้เช่นอาการโกรธนะมันเกิดในตัวเรานี่แหล ะ, ะเราจะรู้รู้ได้สามารถที่จะใช้ยานพยายามหัดฝึกเรียนรู้อารมณ์หรืออาการนั้นๆั้นอาการเป็นราคะก็ตามอาการโลภก็ตามอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเรียนรู้นะหรือว่าอาการที่มันเป็นการคิด กำลังปรุงกำลังคิดหรือว่าเป็นความรู้สึกเป็นความสํานึกที่ดีความสํานึกที่ดีก็เป็นอาการในจิตนะตอนนี้เรากําลังสํานึกดีนะแล้วก็กำลังคิดดีๆปรุงดีๆแล้วก็มีพลังงานที่แหมไฟดีทดําดีมีเจตนาแล้ว ก, ก็ทำทั้งเจตนาเจตนาก็เป็นเจตเจตสิกทำสิ่งที่ดีลงไปเลยมีความเพียรอย่างนี้เป็นต้นอ่านะเราก็เรียนรู้อาการอย่างนั้นที่มันเกิดอาการอย่างนั้นในจิตของเราเรียนรู้อาการพวกนี้แล้วเราก็ปรับปรุงอาการทางจิต ที่มันเร็วมีวิธีเรียนรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งความจริงมีวิธีทั้งกฎข่มเรียกว่าวิธีวิปสมถภาวนาหรือมีทั้งวิธีที่เราจะเรียนรู้ด้วยวิปัสสนาภาวนาก็คือเราเรียนรู้อาการเหล่านั้นแล้วก็ทำให้อาการเหล่านั้นมันจางคลายหรือมันดับมันตายด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานความจริงต่างๆแต่านานาซึ่งด้วยปัญญาด้วยความพ่ายแพ้กิเลสหรือว่าตัณหาอุปทานหรือว่า อากุศลแเจรศิกที่มันมันเป็นส่วนเลวร้ายเนี่ยมันพ่ายแพย้ต่อเหตุผลต่อหลักฐานความจริงเป็นพลังทางปัญญาทําให้กิเลสเหล่านี้ตายอย่างนี้เป็นตัวเนี่ยววิปัสนาภาวนาเราก็ต้องมาฝึกมาเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าไม่เรียนแล้วก็ไม่ฝึกจริงจะไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ผู้รู้จักจิตวิญญาณสมบูรณ์นะพระเจ้าท่านตรัสไวอ้อย่างชัดเจนเลย ผู้ที่จะรู้จิตวิญญาณที่มันเป็นจิตวิญญาณเลวหรือดีก็แล้วแต่เช่นว่าเห็นผีเห็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นพระ Υ er พุทธเจ้าตรัสชัดไว้ว่าไม่มีคนไหนจะเห็นผี <acne. S 2> เห็นเทวดาได้จริงนอกจากพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่ตรัสไว้อย่างนี้เลยแสดงว่าคนที่ไปเห็นผีเห็นเทวดาที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์แท้นั่นนะเห็นอย่างไม่จริงทั้งนั้นแหละยังไม่ชัดไม่เจนยังไม่สมบูรณ์ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นต้องาเรียนเป็นอริยะเซวดาบันก็เห็นดีขึ้นไปเห็นถูกต้องขึ้นไปบ้างส่วนหนึ่งแล้วและรู้จักผีแล้วก็ฆ่าผีไปจริงๆและเหลือเทวดาที่แท้เทวดาที่เป็นอุ ป, ปัติเทพด้วยไม่ใช่เทวดาสมมติด้วยจะเรียนรู้ไปเรื่อยเป็นสกิทาคามีก็จะเห็นจิต อ่านจิตออกรู้สภาพของจิตเจตสิกรู้สภาพของผ Hal ี ee, ของเทวดาชัดขึ้นไปอีกอนาคามีก็รู้จริงขึ้นไปอีกเห็นเทวดาหรือว่าเห็นจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกมากๆากมากมก็มมเรียกว่า <universo> เป็นพุทธิมีดวงตาที่สามารถเห็นความจริงในความเป็นจริงที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือเจตสิกทั้งหลายอย่างเป็นความจริงขึ้นไปจริงๆ จ, จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงจะเห็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด เป็นจิตปิญญาณที่แท้จริงไม่มีผีไม่มีไม่มีผีหลอกไม่มีเศษส่วนของอกุศลเจตสิกหรืออกุศลจิตที่มันปลอมแปลงอยู่ในตัวจิตเลยไม่มีสิ่งที่ปลอมแปลงนอกเนื้อจากความเป็นจิตบริสุทธิ์ประพัดสอนนั้นแล้วผู้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นผู้ที่เห็นผีและเห็นเทวดาได้สมบูรณ์ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนี้แหละ ครับ ฟ, ฟังฟังดูรู้สึกจิตมีความลับอันลึกซึ้งพอสมควราการจะไปไขความลับของจิตได้นั้นคงจะต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมจนเข้าซึ้งถึงภาวะาเป็นพารยบุคคลระดับสูงสุดตามที่พ่อท่านได้กล่าวมาต้องเรียนรู้เรียนรู้ <จะ S 1> รแล้วก็ฝึกขัดพิสูจน์ศาสนาพระเจ้า<ม>เป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์จริง ถ้ไม่พิสูจน์จริงๆแล้วมันก็ได้เ ด, ดาๆทุกวันนี้ศึกษ า, าศาสนาแต่เพียงเดาๆเป็นแต่เพียงสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญามีปัญญารู้รู้ด้วยหลักเหตุผลด้วยหลั ก, กอะไรอะไรเป็นตรรกศาสตร์รู้ด้วยคิดคบคิดรู้ด้วยอะไรอะไสัมผัสก็สัมผัสหล่อๆแหละสัมผัสไม่จริงจำไม่มั่นคั้นไม่ตายไม่ชัดไม่เจนไม่ได้ปฏิบัติภาวนาแปล ว, ว่าการ การทำให้เกิดผลหรือว่าปฏิบัติให้เกิดผลถ้าไม่ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลธรรมเกิดการบรรลุธรรมที่แท้จริงแล้วผู้นั้นจะไม่รู้จักจิตวิญญาณที่แท้จริงเลยต้องมีดวงตามีญาณที่เห็นจิตเห็ น, ห น, หนวิญญาณหรือว่าเห็นมโนเห็นเจตสิกพวกนี้จริงๆเลยต้องมีญาณเข้าไปรู้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าปฏิบัติภาวนามยปัญญาและถึงจะรู้ว่าเออกว่าจะไปรู้จิตบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์เป็นพระอระหันเนี่ยก็จะรู้จิตวิญ ญ, ญาณแท้ ก็ต่อเมื่อเราล้างกิเลส ข, ของเราออกจากจิตของเราแล้วเราก็เห็นจิตของเรานั่นแหละคือการเห็นสิ่งที่เป็นจริงแท้ๆเพราะนพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นจิตอย่างแท้จริงหรือเห็นผีเห็นเทวดาที่แท้จริงแล้วครัผมได้ศึกษาในพระไตรปิฎกซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่้ากล่าวถึงเรื่องจิตไว้ อย่างมากมายเมื่อสักครู่นี้ได้ยินแว่แววที่พระท่านได้กล่าวถึงเรื่องทุรังคมังเอกจรังอสริรังทํามนองนี้นะครับก็ผมไปเจอในพระไตรปิฎกที่ว่าทุรังคำังเอกจรังอสริรังครูหาสยังเยจิตตังสัญเมตสันติโมกขันติมรพันธนาจิตท่องเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ใครควบคุมจิตได้ย่อมพ้นจากบ่วงมาน นั่นเป็นการเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่ลึกซึ้งและที่จริงที่สุดทีนี้คนแปลนะ่แปลตามโมหานความจริงแล้วละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นขยายได้ชัดกว่านั้นเองผู้ทุรังคมังก็ว่าไปได้อะไรแปลเขาไท่องเที่ยวไปไปกลท่องเที่ยวไปไกลความจริงแล้วทุรังคมังก็ไม่ได้ไปแปลว่าท่องเที่ยวไปไกลหรอกความจริงแล้วท่านอธิบายถึงลักษณะของจิต ทุรังขมังก็หมายความว่าสามารถที่จะไปจะมาจะไปจะมาจิตนี่จะสามารถที่จะออกไปขมังจะไปจะมาจ ะ, จะไปยังไงคือข ม, ขมเนี่ยจะไปจะมาไงก็ได้แล้วก็ไปได้ไกลไก ล, ก ล, ก ล, กลจนที่เราคิดไม่ถึงเราจะใช้จิตนี่คิดคาดเคขเนคคำหนึ่งไปจนกระทั่งถึงดาวพระอังคารก็ได้ไปถึงกาแล็กซี่ก็ได้ ยิงถ้าเราเคยไปสมมุตินะสมมุติว่าเราเคยลงไปในจรวดนี่ก็ลงไปลงอย่างลงที่โลกพระอังคารแล้วแล้วก็ได้ไปสัมผัสโลกพังคารไปเห็นจริงที่โลกพอังคารเสร็จแล้วเราก็รู้จักโลกพังคันแล้วได้สัมผัสมันจริงแล้วนะเรากลับมาสู่โลกลูกนี้พอกลับมาสู่โลกลูกนี้แล้วเราจะเอาจิตนี้ท่องเที่ยวไปถึงโลกพระังคารที่เราเคยไปไปแล้วนี่สัมผัสแล้วนี่ก็ยังได้เลย ครับอ่าแม้ยัง ไ, ไม่ได้เคยไปเรายังเดาได้เลยก็สัมผัสอยู่บนต้องฟ้าอะไรนี่นะที่ส่องกล้องดูก็อาจจะเห็นดาวพระงคารแล้วเสร็จแล้วเราก็ระลึกไปนั่นแหละเราก็ส่งจิตไปถึงอย่างนั้นก็ยังได้อย่างนี้เป็นต้นทุรังขมังคือไปได้อย่างที่เรื่องว่าไม่มีอะไรจํากัดไปได้ไม่จํากัดถ้าเราจะไปอีกกาแล็กซี่อื่นๆถ้าเราสามารถที่จะระลึกไปได้ซึ่งไกลไปรู้ไม่รู้กี่ ต่อลานลาลานลานปีแสงเลนะเราก็สามารถจะไปได้ไกลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ได้ยกวัตถุรังกำมังหรือมันไม่ไปไม่มาอะไรมันอยู่ใกล้ๆอยู่กับเราเนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นรหรือเอกจรังนี้ก็ไปแปลว่าไปโดดเดี่ยวซึ่งความจริงแล้วมันฟังแล้วมันอ้างว้างจังเลยครับผ ความจริงเอกจรังมันไม่ได้หมายความระวัลลักษณะอย่างนั้นเอกจจารังนี่นะนี่เป็นความเห็นของผมนะครเป็นความรู้ของผมนะที่ผมจะแปลนี่เป็นความรู้ของผมผมไม่ได้แปลตามพยัญชนะตรงๆทีเดียวตามที่ท่านชอบจะแปลกันแล้วก็หาว่าผมไม่แปลตรงตามที่ท่านแปลเพราะผมไม่ได้เรียนบาลีด้วยนะผมก็แปลตามภาษาของผมเอมนะเอกจจารังนี่แปลว่ามันสามารถไปจรังก็คือไป มันจะไปจะมาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะจรเนี่ยมันจะไปจะมาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ของมันแม้จะจะไปนรกจะไปสวรรค์จะอยู่นรกจะอยู่สวรรค์อะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ของมันเป็นตัวของมันเองมันไม่เกี่ยวกับใครเ อ, เอกจรังเนี่ยจะไปจะมาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนนั้นคนนี้เดาส่งกันว่าโอ้เนี่ยตายตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาว่า ง, งั้นนะตายไปแล้วก็ไปพบ โอ้โหไปพบวิญญาณของพ่อของแม่ไปพบวิญญาณของเพื่อนของฝูงอยู่ในนรกพบวิญญาณของคนรู้จักกันอยู่สวรรค์อยู่นั่นอยู่นี่อันนี้แหละเป็นเรื่องขัดแย้งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตวิญญาณนีเป็นเอกจรังจะไปไหนมาไหนมันไปอยู่มันก็ของมันเท่านั้นเองเอกะมันของมันเท่านั้นเองมันไม่เกี่ยวกับใครมันไม่ไปพบเพื่อนในทุนรกมานไมไปพบเพื่อนอยู่ในสวรรค์มันไม่ไปพบคนนั้นคนนี้อะไรนี่ไม่ใช่เด็ดขาด ยิ่งตายแล้วแล้วนี่ยิ่งไม่ไปพบกับใครแม้ยังไม่ตายเนี่ยมันก็อยู่ของมันอยู่ในตัวเรานี่แหละจิตของเราจะไปปนไปเ ป, ปกับใครไม่ได้หรือเอาจิตของใครมาเข้าทรงในตัวเราเอาจิตของคนอื่นมาปนในร่างกายเราแล้วก็เป็นจิตของเราบ้างเป็นจิตของคนอื่นบ้างสองจิตสองอมีจิตสองสองสภาพเป็นของสองคนอันนี้ก็หกทั้งนั้นหลอกลวงทั้งนั้น น่ะไม่จริงเข้าทรงเอาจิตคนนั้นคนนี้มาเข้าทรงตัวเรานี่เป็นการหลอกลวงมันไม่ได้หรอกไม่มีทางแต่การเข้าทรงนะค่อยพูดกันอีกทีนึ่งเป็นเรื่องของอุปท า, านอย่าค่อยๆขยายความเมื่อถึงเวลานั้นอตอนนี้ก็พูดในเรื่องสัจจะพวกนี้ซะก่อนสัจธรรมหรือความจริงพวกนี้ซะก่อนเพราะงั้นจิตเอกจรังเนี่ยแปลว่านี่แหละเป็นตัวพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนเนะว่าลักษณะของจิตนั้นเนี่ยจะอยู่เดียวอยู่โดยเดียวจะไปจะมาอะไรต่ไร ก็โดยเดียวไม่ใช่เรื่องที่ไปพัวพันไปเกี่ยวไปเกาะ ไ, ไปอ ะ, ะไรก็ใครเลยอย่างนี้เป็นต้นครับกบขอบคุณสําหรับคําอธิบายเรื่องความลับของจิตตอนนี้ผมมีเวลาที่จะพูดคุยนํารายการกับพ่อท่านอยู่อีกประมาณห้านาทีผมอยากจะสอบถามวิธีการดูจิตอ่านจิตเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางของสัมมาริยมุตติองค์แปดดที่พ่อท่านดได้สั่งสอนเสม อ, สมอว่าถ้าเราสามารถ ฝึกจิตอ่านจิตดูจิตพิจารณาจิตได้เนี่ยมันจะนําเราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอนะใช่เพราะท่านมีคําแนะนําให้กับผู้ที่กําลังฟังรายการซึ่งไม่เคยศึกษาเรื่องจิตมาเลยไหมครับว่าจะมีวิธีการอ่านจิตดูจิตอย่างไรงนะนอีอ๋อก็พูดเสมอนะวิธีนี้ไม่ต้องบอกกั น, นวิธีอ่านจิตดูจิตนี่ก็บอกแล้วเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนํนำๆไปแล้วเราจะต้องสังเกตอารมณ์อาการท่านเรียกว่ารู้รูปนาม าภาษาพระภาษาบาลีท่านเรียกว่าจะต้องรู้รูปนามน่จะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะคเนี่ยอาการก็คงพอเข้าใจแล้วว่าอาการคือลักษณะอาการของมันเนี่ยเพราะเราจะต้องพยายามใช้ตัวเรามีญาณมีปัญญาอย่างไรสังเกตอาการจิตใจของเรามันกำลังคิดยังไงมันกำลังมีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกอย่างไร นะมันมีการปรุงแต่งอย่างไรมันมีบทบาทอยู่อย่างไรอ่านในตัวเราเนี่ยเสมอเสมอเสมอฝึกตอนนี้มีอารมณ์อย่างไรมันรู้สึกอย่างไรมันคิดอย่างไรนะเป็นอาการแล้วเราจะรู้ความแตกต่างว่ามันคิดหรือว่ามันรู้สึกคำว่าคิดนี่คือหมายความถึงการดรําริหรือการปรุงหรือการามีการพกผันมีการบอกลบคูณหารอยู่ในใจเรียกว่าคิด ดัมเบลอะไรระลึกขึ้นมาเนี่ยท่านเรียกว่าคิดนนึกคิดดําริออกมาก็ได้เป็นอาการอย่างหนึ่งอาการได้รับกระทบสัมผัสแล้วรู้สึกเลยหรือว่าอารมณ์ของจิตของเรารู้สึกว่าแหมเรารู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกโกรธรู้สึกรักรู้สึกชังรู้สึกมันไสอะไรแล้วแต่อ่านอาการเหล่านั้น อ่านความเป็นอาการอย่างนั้นภาษาบอกมันไส้ก็ดีบอกโกรธก็ดีบอกรักก็ดีเป็นภาษาแต่เราต้องอ่านอาการของเราอาการอย่างนี้อ๋อมันตรงกับภาษาคำว่ารักอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้มันตรงกับคำว่าโกรธอาการอย่างนี้ตรงกับคำว่าโกรธอาการอย่างนี้ตรงกับคำว่าเออไอ้ยิ่ชอบไอ้ิตรงกับคาว่าชังเอออาการอย่างนี้ตรงกับคำว่าชังอาการนี้ตรงคาว่าชอบอาการที่ ตรงกับคำว่าชังกับอาการที่ตรงกับคาว่าชอบนี่มันต่างกันนะมันมีเครื่องหมายให้เรารู้เรื่อวันนีมิตมันมีเครื่องหมายให้เรารู้ว่ามันต่างกันไออาการชอบก็มันก็อย่างหนึ่งนะสังเกตเธออ่านเรียนรู้ตัวเราในตัวเราทุกคนอ่านได้เรียนรู้ได้มีเครื่องมือให้อ่านมีจิตให้เราอ่านเราต้องฝึกอ่านอาการอย่างนี้ชอบอาการอย่างนี้ชังมันต่างกันคําว่าต่างกันนี่เรียกว่าลิงคะ พราะฉะนั้นเราจะรู้รูปนามเนี่ยจะรู้ได้อย่างนี้แหละรู้อาการที่มันชอบนี่อาการที่มันชังนี่เลยวิริยฆะแล้วมันมีนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายเครื่องลักษณะของมันนี่มันเป็นเครื่องหมายบอกว่าเอออาการนี้มีเครื่องหมายอย่างนี้เป็นชอบอาการนี้มีเครื่องหมายอย่างเี้เป็นชังต่างกันอย่างนี้เราต้องเรียนรู้อาการอย่างนี้ให้ชัดเจนและอุทเทศก็คือคํายกขึ้นมากล่าวนี่อัตมากําลังพูดอัตมากําลังอธิบายอยู่เนี่ย ยกคําพูดคํากล่าวหัวข้อคําว่าอาการคําว่าลิงคะคำว่านิมิตอะไรก็ตามคําว่ารู้รูปนามเนี่ยเป็นภาษาเป็นอุทเทศยกหัวข้อเหล่านั้นมาชี้แจงมาอธิบา ย, ยานี้เรียกว่าอุเทศนะเพราะฉะนั้นเราเรียนอุทเทศม า, าเรามีอุเทศแล้วเราเรียนมาจากหัวข้อที่อธิบายอะไความขยายความอะไรมาเรารู้แล้วเราก็มาเรียนรู้อาการลิงคะนิมิตเอง มาสังเกตอาการเองสังการอาสังเกตอาการว่าแม้มันต่างกันอย่างที่กล่าวเนี่ยต่างกันว่ามันเป็นอาการของความโกรธกับความรักมันก็ต่างกันอาการที่มันชอบมากชอบน้อยโกรธมากโกรธน้อยก็ยังต่างกันนะเรียกว่ามันมีน้ำหนักต่างกันเอาได้โกรธแรงหมเมื่อกี้นี้เราโกรธแรงเขาก่อนนี้เราไม่เคยโกรธเท่านี้นะเดี๋ยวนี้เราโกรธแรงหรือว่าเขาก่อนนี้เราโกรธแรงแรงเดี๋ยวนี้เราโกรธเบาลงแล้วมันก็ต่างกันนะ อาการนั่งอยู่ที่เราเนี่ยเราสังเกตได้อ่านได้อย่างนี้เป็นการเรียนรู้จิตฝึกคัดอา่านอย่างนี้เราเรียกว่าเรียนรู้ทางในไม่ใช่ว่าเป็นนั่งหลับตาแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็ไปอ่านอาการทางจิตอยู่เท่านั้นอันนั้นก็ใช่จริงๆก็เรียนรู้ทางในเหมือนกันในก็ไปแล้วก็ในประเภทที่เราไานั่งนิ่งๆเพื่อเรียนรู้ก็ใช่เหมือนกันแต่มันก็เรียนรู้ได้รู้ในขณะที่เรานั่งเท่านั้นเอง แต่ถ้าเพราะว่าเรามาเรียนรู้ในขณะลืมตาในขณะมีชีวิตประจำวันนี่แหละหัดใช้จิตเรียนรู้อย่างงี้นี่เท่ากับเราฝึกมุทุภ um ูเตกรรมณิเทธีเตอเนชปฏเตะเอาเรียกค่อยขยายอันนี้ซะก่อนนะเมื่อกี้นี่เราเมื่อกี้เราได้พูดกันค้างเอาไว้ถึงภาษาบาลีสคํคำคือว่ามุทุภ um ูเตกรรมนิเทธีเตอเนชปฏเตะนะ สี่ภาษาบาลีสี่คำนี้พระุทจ้าท่านตรัสเอาไว้ในธรรมวิพังธภาภาภา์ตรตรวิพักระศูนตระพฤการเป็นคําที่ขยายความคําว่าฌานฌานเนี่ยผู้ที่มีฌานจะมีคุณลักษณะ4ประการนี้นในพระเถรพิฎกท่านจะแปลปเพลง ผ, ผ่านว่าลักษณะของจิตวิญ ญ, ญาณที่เป็นฌา น, นจะมีคุณลักษณะจัดการตัวมันเองอยู่โดยองค์ธรรมสประการนี้ การตัวมันเองก็คือมันจะสังเคราะห์แล้วมันก็จะพัฒนาตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆฌานนี่คือการพัฒนาจิตจิตทําจิตให้เป็นฌานคือทำจิตให้พัฒนาขึ้นไปนะองค์คุณสี่ประการที่ว่าโดยภาษาบาลีเมื่อกี้นี้ท่านแปลในพระธรปิฎกท่านแปลว่ามุทุภูตเตท่านก็แปลว่าจิตอ่ อ, อนนะกามนิเยท่านก็ว่าจิตที่ควรแก่การงานนะทิเตท่นว่าจิตตั้งมัน่นอเนจปฏเตก็ว่าจิตที่ไม่หวั่นไหว เป็นลักษณะท่านแปลว่าอย่างเงี้ยแต่ท่านแปลว่าอุ อ, อน่นควรแก่การงานตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวไปอ่านดูเถอะในพระไตรปิฎกถ้าจะแปลเป็นสูตรตายตัวว่าอย่างงี้เลยใครไปแปลแปลผิดจากนี่ตกนะผู้สอบบาลีทั้งหลายเลย น, นี่ก็อาตมาฟังแล้วก็เข้าใจเปิดดูพระบาลีแล้วก็เข้าใจแล้วอาตมาก็เห็นว่าเออพระบาลีนี่คงท่านชัดเจนดีมุทุภูเตพุตตาก็คือจิตนั่นแหละนะจิตแล้วก็มุทุก็คืออ่อนท่านแปลไม่ผิดหรอก แปลว่ามุทุู้เตท่านก็แปลว่าจิตอ่อนก็แปลไม่ผิดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการทำจิตให้เป็นฌานคุณลักษณะของจิตสี่ประการนี้ที่กำลังดำเนินบทบาทของความเป็นฌานเนี่ยมันไม่ใช่จิตอ่อนแอฟังแล้วคาว่าจิตอ่อนมันเหมือนกับว่าจิตนี่อ่อนแอปกเปียกลงไปหรืออะไรงีมันไม่ใช่มันหมายถึงก็ว่าจิตเนี่ยมีลักษณะไม่ใช่จิต อย่างเดิมๆที่เป็นคนที่เป็นปุถุชนหรือเป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกปรือี่จะเป็นจิตที่อ่อนแต่จริงๆแล้วเมื่อปราปฏิบัติจิตเป็นฌานจริงๆแล้วจิตไม่ใช่เป็นอ่อนแอปลกเปียกอย่างนั้นแต่จิตกลับแข็งแรงจิตกลับเจริญจิตกลับดีขึ้นเพราะฉะนนั้คําว่าอ่อนนี่แปลว่าจิตมันหัวอ่อนจิตที่มันมีลักษณะดีขึ้นมันไม่กระด้างมันไม่แข็งดือ้อ มันไม่กลายเป็นจิตที่หัวแข็งแต่เป็นจิตหัวอ่อนอใช้ภาษาไทยนะศั์คาว่าหัวอ่อนเขาจะเข้าใจเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายเป็นจิตที่ได้รับการปรับปรุงแม้ในเชิงปัญญาก็แววไวรู้ได้เร็วฝึกปรือแล้วจะเกิดการชำนาญชำนิชำ น, ชำนาญในการรับรู้มีปฏิภาณมีอะไรต่อใดแคลครองขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าจิตอ่อนจิตที่หัวอ่อนและ แม้แต่มันเป็นกิเลสมันเป็นความดื้อด้านแข็งกระด้างยึดติดอย่างที่เรียกว่าตีไม่แตกเลยก็กลายเป็นจิตที่ตีแตกเป็นจิตที่ทำให้อ่อนให้ยุ่นให้ย่ น, ใ ห, ยนให้สลายให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเจริญไปสู่การดีการพัฒนาขึ้นเรียกว่าจิตหัวอ่อนแล้วจิตไม่หัวดือ้อจิตไม่หัวแข็งแล้วจิตสามารถที่จะปรับตัวเองได้ อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามุทุภูตมุทุพูธาตุหรือว่าจิตมุทุภูเตนะเพราะฉะนั้นถ้าคือปฏิบัติแล้วนี่กาลังเดินทางสู่ความเป็นฌานถ้ามีลักษณะจิตที่เราสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็จิตแววไว้ได้อย่างที่อธิบายเมื่อกี้ว่าเราสังเกตอ่านซีว่าอ่านอารมณ์อ่านอาการหรือรูปนามอ่านอารมณ์อ่านอาการของเราอาการขณะนี้มันเกิดอารมณ์กามอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอะไรก็ตามใจเราอ่านอาการอย่างนั้นเรียกว่าเราเรียนรู้ เพราะนั้นนะครับจะรู้เร็วขึ้นเรี๋ยวว่าจิตอ่อนหรือว่าจิตมุทุท่านบอกว่าจิตหัวอ่อนนะเป็นจิตอ่อนแล้วฟังแล้วมันมันต้องขยายความนะเพราะฉะถ้าบอกไม่เข้าใจสภาวธรรมแล้วนี่เราจะไม่รู้จักความจริงของสภาววจิตเจตสิกต่างๆเราก็จะรู้แต่ภาษาซึ่งมันฟังแล้วก็บางทีเราเราก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันสําคัญอะไรจิตอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมันก็ฟังแล้วมันก็ผ่านๆแต่ถ้าไปมีสภาวธรรมรวลนี่เป็นคุณลักษณะวิเศษนะ มุทุภูเตกมมเเเปปรรมนิเยทีเตอเนชัปปเตเนี่ยทีเตอเนชัปปเตอยู่ในฝั่งของการสั่งสมลงเป็นลักษณะเจโตส่วนนิมุทุภูเตกรร ม, มณิเยนี่เป็นลักษณะของปัญญาเป็นสองเชิงเหมือนลักษณะพลังงานนี่จะมีไฟฟ้าอะไรพวกนี้จะมีกระแสบวกกระแสลบอย่างนี้เป็นต้นทีเตอเนชัปปเตเนี่ยก็คล้ายๆลักษณะของ กระแสบวกหรือว่าลักษณะไฟฟ้าบวกส่วนมุทุภูเตกามดีเยเนี่ยเหมือนกับไฟฟ้าลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีพลังงานวิ่งพลังงานไดนามิกส่วนพาธีเตในชจปาเตนี่มีลักษณะของโพสตเตติกอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะเพราะงั้นจะบอกว่าเราอ่านสภาพจิตของเราได้จริงแล้ววิเคราะห์วิจัยออกเ ร, เราปฏิบัติทำเป็นฌานของพุทธเนี่ยจิตจะมีลักษณะมุทุภูตธาตุอย่างที่กล่าวและมุทุภูตะ กรร ม, มนิยะหรือกรร ม, มนิเยเนี่ยกรร ม, มนิยะนี่หมายความว่าท่านแปลว่าควรแกาการงานก็ถูกจริงๆเหมือนกันแต่ว่ามาฟังแล้วมันก็ขยายไม่ออกมันเข้าใจไม่ได้ว่าควรแกาการงานอย่างไราศาสนาพระพุทธเจ้านี่เป็นาศาสนาที่เปิดตาปฏิบัติ จะเกิดฌานก็เกิดฌานในขณะลืมตามีตาหูจมูกดิ้นกายใจรู้รับรู้สัมผัสรู้ทางตาหูจมูกดิ้นกายใจได้แล้วก็อ่านจิตได้จิตของเรามีอาการดนลักษณะมุทุพุตธาตุมุาทาุภูเตนมุทุภูตตะนั่นแหละจิตที่มันสามารถที่จะปรับได้แววไวัเรียนรู้แล้วก็ปรับก็ดัดได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตรู้จิตเมื่อเรามียานรู้จิตและสามารถปฏิบัติให้จิตนั้นลดจากอากุศล ลดจากการดื้อด้านลดจากการที่เป็นความไม่ดีจิตตัวไม่ดีหรืออกุศลเหตุอกุศลเจตสิกที่มันไม่ดีอยู่ในจิตเราสามารถทำให้มันลดบทบาททำให้มันลดความแข็งกระด้างทำให้มันลดความมีอํานาจลงไปได้เรื่อย ๆ, ๆเราก็สามารถมีกรรมหรือมีการงานกรรมนิยะการงานต่างๆก็จะเหมาะ จะควรจะดีจะเหมาะสมจะเจริญจะพัฒนาขึ้นแล้วก็จิตที่ดีๆอย่างนี้แหละจิตที่ปฏิบัติประพฤติอย่างนี้แหล ะ, ะ, หละก็ททำให้เรียนรู้อาการของจิต ท, ที่มีกิเลสตัณหาอุปทานเข้าไป ผสมหรือเข้าไปเป็นเจ้าเรือนเขาไปเป็นบทตัวอำนาจตัวบทบาทอยู่ในจิตถ้าเราละมันได้ลดมันได้ทำลายมันได้จิตมันดีจิตมันเป็นเหมาะสมที่จะไปทำการงานอะไรก็ดีจะทำให้เกิดกายกรรมอย่างไรก็ดีถ้าไม่เกิดวิีกรรมอย่างไรก็จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าไม่เกิดมโนกรรมอย่างไรก็ดีขึ้นถ้าไม่เกิดอาชีวะในภาคปฏิบัติของมรรคองค์8นี่มีสังกัปปวาจากรรมมันตะอาชีวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกรรมทั้ง4นี่เลยกรรมทางสังกัปปะ ไม่คำวันึกคิดดําริอะไรขึ้นมาก็จะดีเพราะเราสามารถคุมจิตมุทุพูตธาตุมุทธธุพูเตตัวนี้คุมได้ปรับได้เก่งขึ้นเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างยังไม่เก่งพอได้ไปก็ได้เรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆมุทุพูตธาตุก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆสภาพเจตสิกพวกนี้จะมีมีมีฤทธิ์มีเดชทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตดีขึ้นจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวง มโนโปุพังเขมาธรรมามโนเสถามโนมยาเพราะฉะนั้นจิตรหรือมโนเนี่ยจ ะ, จะเจริญขึ้นเป็นประธานเมื่อจิตดีขึ้นกรรมนิยะกายกรรมวจีกรรมนะสังกปะวาจาวาจาก็ดีขึ้นกรรมมันตะทั้งกายทั้งบทบาทอิริยาบทกิริยาต่างๆการงานต่างๆการกระทําต่างๆกรรมมันตะก็ดีขึ้นสัมมาขึ้นเรื่อยๆอาชีวะทำอาชีพต่างๆนาน า, นา จะประกอบการอาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, ด น, ด น, ดนโดยหลักมรรคองแการทำฌานอย่างนี้เป็นฌานลืมตาเป็นฌานที่สามารถฝึกจิตอย่างลืมตาย่างอยู่ในชีวิตประจำวันมีบทบาทปฏิบัติมรรคองแ ค, ควบคุมจิตโดยลักษณะการเกิดฌานอย่างนี้แหละแล้วก็สั่งสมลงเป็นทีเตคือการตั้งมั่นหรือเรียกว่าสมาธิ อย่างสั่งสมลงฝึกฝนไปเรื่อยๆมันก็จะมีจิตที่แข็งแรงนี้สั่งสมลงตั้งมั่นตั้งมั่นแข็งแรงแข็งแร ง, งขึ้นจนกระทั่งอเนนชาหรืออเนชปฏเตสามารถที่จะมีคุณภาพไม่หวั่นไหวต่อการกระทบสัมผัสของโลกีหรือว่าของตัวกิเลสมันจะมายัวาย่วมายวนจะมากระแทกกระเทือนจะมาทำลายทําลายอะไรก็ไม่หวั่นไหวเรีวยกว่าอเนเชาหรืออเนชปฏเตจะไม่หวั่นไหวต่อ โลกิยะเลยจึงเรียกว่าโลกุตระจิตอย่างนี้เป็นจิตโลกุตระองค์ฌานทั้ง4ี่นี้เป็นคุณลักษณะวิเศษของจิตเจตสิกเมื่อได้ฝึกตามหลักการของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงจะรู้รูปรู้นามจะรู้ลักษณะโดยดีลักษณะชั่วของจิตเจตสิกได้ว่ารู้ทางในเป็นคนรู้จักปรมัตต์รู้จักเจตจิตเจตสิกรูปรู้จักจักจนกระทั่งว่าลดกิเลสได้หมดดับสนิทเป็นนิพพานก็รู้ได้ด้วย อย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าโดยมรรคองค์8ก็ดีรักษามาปฏิบัติฌานที่มีองค์ฌานมุทุภูเตกัมมนีเยทิเตะอเนจัปเตอย่างที่อาตมาได้อธิบายไปคร่าวๆเมื่อกี้นี้นี่คือการเรียนรู้จิตหรือวิญญาณตามหลักการของพระพุทธเจ้ามาฝึกเถอะทุกๆคนและเราจะเจริญเป็นสุขทั้งตนเองและทําให้สังคมสุขด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของความลึกซึ้งหรือจะกล่าวได้ ว, ว่าเป็นความลับของจิต ที่ควรจะต้องได้รับการไขปริศนาให้เกิดความเข้าใจกันว่าเราจะเรียนรู้จิตอย่างไรฝึกจิตอย่างไรเนี่ยตามดูตามรู้แมก้กระทั่งภาวะที่เรียกว่าภาวะที่เป็นจิตเจริญขึ้นประเสริฐขึ้นมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยถึงในรู้อ๋อจิตที่ดีขึ้นก็ต้องมุทุหมายก็มีจิตที่อ well ่อนแววไว มุทุพูเตกรรมณเยหมายก็ต้องอ่อนไม่ไม่ไม่ไม่ไมใช่อ่อนแอป่อแแป้ไม่ทําอะไระนะก็ต้อง อ, อ่อนควรแก่การงานด้วย <c oughs> ทีเตก็คือตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวอะไรประเภทนี้อันนี้ชาะปะเตออันนี้นนนชาปเตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็เลยคิดว่าเอจิตที่ดีนี่คือจิตที่พร้อมจะทาทุกถนทนทนทุกสภาพ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะสร้างสารรค์อะไรดีๆให้เกิดขึ้น ในชีวิตนี้ได้เสมอเสมอใช่วันนั้นนั่งทำรายการอยู่สอบถามผู้ฟังรายการว่าสมณ ะ, ะมีความต้องการอะไรมากที่สุดนะเพราะว่ามีคนหกจำพวกนะฮะ <c oughs> นะมีกษัตริย์ต้องการนั่นะนะสตรีต้องการบุรุษนะ พรามต้องการมนต้องการอะไรต่างนานาเลยทีนี้ในพระไตรปิฎกสมณะต้องการอะไรเนี่ยมีท่านผู้หนึ่งโทรศัพท์เข้ามาบอกสมณะต้องการความสงบเงียบไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะเนี <c oughs> <c oughs> <N un> นั่นแหละคือ <c oughs> สิ่งที่สมณะต้องการมากที่สุด <c oughs> <c oughs> ซึ่ง อ, อันนั้นเป็นการอธิบายเลยเถิดไปมสมณะต้องการความสงบนั้นถูกแต่ว่าสมณะไม่ได้ต้องการความสงบที่ไม่เกี่ยวกับผู้คนครับสมณะก็ตาม โดยเฉพาะสมณะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสมณะของศาสนาพุทธนี้มีลักษณะที่ไม่หนีจากสังคมไม่ไม่ใช่หมายความว่าหลบลี้หนีหายไปปีกเดียวเหมือนจากพวกฤษีชีไพรที่เกิดก่อนรัธิรัติ ท, ที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสังคมเพราะงั้นไม่หนีสังคมไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ใช่ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ได้หนีอย่างนั้นส ง, งบในหมายความว่าจิตนี่ส ง, งบ จิตสงบคือกิเลสไม่เข้ามารุกรานแล้วกิเลสดับกิเลสหมดบทบาทกิเลสตายกิเลสหมดพลังงานไม่ฟื้นถ้าเป็นเพราะอาหารแล้วกิเลสไม่ฟื้นเลยตายสนิทกิเลสด้อุปทานตายสนิทดับสนิทไม่มีในจิตอย่างนี้เรียกว่าสงบไม่ถูกรบกวนด้วยความชั่วร้ายไม่ถูกรบกวนถ้าเป็นภาษาทางศาสนาอื่นก็ว่าไม่ซาตานตายหมดแล้ว อ่าไม่มีซาตานรบกวนเลยมีแต่พระเจ้ามีแต่จิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆอย่างนั้นครับนี่เรียกว่าสงบสงบจากส่วนชั่วสงบจากกิเลสแต่มีบทบาทมีธาตุรู้ที่เฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นธาตุรู้ที่วิเศษเป็นธาตุรู้แห่งกุศลทั้งนั้นอย่างกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลากับสังคมกับผู้อื่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนได้อย่างมากมายเลยครับก็นับว่าเป็นความลับของจิตเป็นความลึกซึ้งของจิตที่น่าสนใจยิ่งทีเดียวอะ มีคนฝากประเด็นเข้ามาเยอะเลยทีเดียวที่ตู้ปน10ปนฝคลองกลุ่มกรุงเทพ 1.0.2.4.4 นั่นหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่เ3 3 5ส5ม5ามอีกหนึ่งจดหมายเข้ามาหลายฉบับขอขอบคุณเป็นอย่างมากทีเดีย ว, วะนะประเด็นที่ส่งเข้ามาหลายเรื่องที่ต้องอธิบายกันในรายละเอียดหันไปดูเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาในช่วงนี้แล้วะนะเนื่องจากว่าถวายเวลาให้พ่อท่านอธิบายเรื่องจิต ละเอียดพอสมควรซึ่งผู้ฟังรายการคงจะได้รับประโยชน์ในระดับหนึ่งในระหว่างนี้ถ้าใครต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือฝากประเด็นสอบถามในเรื่องใดๆก็แล้วแต่หมายเลขโทรศัพท์ที่รออยู่ในขณะนี้ก็คือ733 5550-4 รับนอกไม่ไนะส่วนที่รับเข้ามาโดยตรงในขณะนี้คือ733 5280-81 733 5280-81 กรุณาติดต่อเข้ามาสู่รายการทุกปัญหาชีวิตได้ มีจดหมายฉบับหนึ่งก็แล้วกันท่านมาจากอำเภอสามพรานเจ้าคณะประถมเขียนมาบอกว่าตอนนี้หนูได้อ่านหนังสือตามรอยพระอรหันต์ของหลวงปู่พุทธทาสอ่านแล้วอยากเป็นพระอรหันต์จังเลยนะเพราะเห็นว่าชีวิตของผู้หมดกิเลสแล้วพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิ ด, เ ก, ดเกิดตายอีกชีวิตของพระอริยเจ้านั้นสะอาดบริสุทธิ์จังเลยนะน่ากราบไหว้สมเป็นเนื้อนาบุญของโลก หนูอ่านเรื่องปฏิโมกสังวรอินทรีย์สังวรอาชีวปริสุทธิ์อ่านแล้วเห็นความงามสะอาดของพระสงฆ์ถ้าท่านปฏิบัติได้จริงๆนะแต่ก็ปารลบมาว่าเพราะท่านคะหนูอ่านแล้วให้ความสําคัญเรื่องอินทรีย์สังวรมากเลยะนะเพราะคิดที่จะนํามาใช้ควบคู่กับศีลแปดที่หนูปฏิบัติอยู่หนูคิดว่าการสังวรหรือสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นสิ่งสำคัญกว่าธรรมะข้อใดๆทั้งหมดจึงอยากทราบว่าค ว, วามคิดของหนูถูกต้องหรือเปล่า เพราะเพิ่งศึกษาใ ห, ใหม่ๆจึงสอบถามพ่อท่านมาตรงนี้และกราบขอคําแนะนําเพิ่มเติมในการปฏิบัติด้วยในเรื่องอินทรีย์สังวรขอกราบนิมนต์ครับพ่อท่านครับมีเวลาอยู่สักประมาณ5นาทีครับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คืออินทรีย์สังวรนี่แหละอิ In นทรีย์สังวรเป็นการปฏิบัติไม่ผิดนะสํารวมอินทรีห6 ok. หรือสังวรอินทรีห6 ok. นั่นข้อที่1ข้อที่สองโภชเนะมัตัญยุตา ข้อที่สามชาคริยานโยคะนี่ทนเรียกว่าเป็น อ, อ ป, ปันนธรรมปป อ, อ ป, ปันน ก, รกรธรรมหรือ อ, ป, ป, อ ป, ปันนักปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดถ้าผู้ใดปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะสมประการนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าไม่ผิดนะไม่ผิดคืออย่างไรการสารวมอินทรีย์ทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อินทรีย์ทั้งหของเรา C, อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราเองเราควบคุมอํานาจอินทรีย์นี่แปลว่าอํานาจอํานาจมั น, ม, นมีอํานาจชั่วกับอํานาจดีนะอำนาจชั่วก็คือตาไปเห็นรูปแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองและไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญารู้อะไรไปกระทบรูปขึ้นมาแล้วก็โอ้ชอบใจหล่อจริงสวยจริงก็กรี๊ดกราดเาขี้ยวขวานไปตามเรื่องตามเราระเริงไปอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ที่ไม่สํารวม แต่ถ้าพบว่าเราสํารวมเมื่อเราเห็นรูปเห็นอย่างนน้นอย่างนี้แล้เห็นรูปนี้สวยเห็นคนนี้หลอ่อเห็นคนอะไรหรือว่าเห็นของที่สวยที่งามอะไร <c oughs> เราก็สํารวมสังวรในสภาพที่เร า, เ, า, เ, า, เ, าเห็นความสวยความงามแล้วมันก็เกิดจิตปรุงแล้วก็หัดอ่านจิตอย่างที่อาตมาได้แนะนํามาตอนตอน้นอ่านอารมณ์เนี่ยไปอารมณ์ชอบและอารมณ์รักใครอยากได้แล้วนี่เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็น ทั้งที่จะไม่เหมาะไม่สมไม่ครวรเกินการอะไรก็ตามแต่เราจะต้องเรียนรู้อาการที่เป็นกิเลสตนาอุปทานพวกนี้แทรกอยู่ในการสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางลิ้นทางกายทางจมูกทางพวกนี้ทาวารทั้งหกื้ออินทรีย์ทั้ง6เนี่ยมันจะเป็นอยู่ตามปกติของมนุษย์เพราะว่าตาเราก็มีสัมผัสเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ได้สัมผัสแต่ต้องและข้างในก็ยัง มีคิดมีนึกมีปรุงมีอารมณ์อรอยูเนี่ยเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยสังวรแล้วปฏิบัติลดละสิ่งที่อะไพิจารณาเมื่อสัมผัสเห็นรูปแล้วเรามีอ่านกิเลสให้ออกอา่านอารมณ์ที่มันเป็นโลภโกรธหลงให้ออกเมื่ออา่านแล้วก็ดับกิเลสโลภโกรธหลงให้ออกเสมอเสมอนี่เรียกว่าปฏิบัติอินทรีย์สังวรอาตมาก็อธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ใช่ง่ายที่ว่าเราจะปฏิบัติได้จริงๆถ้าฟังที่อาตมาพูดมาแต่ต้นแล้ว อ่านรู้อาการของจิตอย่างไรจิตเจตสิกอาการลิงคนิมิตที่พูดม า, าตั้ต้นแล้วเป็นอย่างไรนั่นแหละอ่านอย่างนั้นวิจัยอย่างนั้นแหละและวิจัยที่มันเกิดสภาพจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจากทวารทั้ง6แล้วมีฤทธิ์มีอํานาจอยู่ในใจของเราเรียกว่าอินทรีย์แล้วเราก็จะพยายามลดละส่วนที่เป็นอกุศสลงไปลงไปลงไปลงไ ป, งไปนั่นคือการสรํารวจอินทรีย์นะ กับผมเคยอ่านเรื่องที่ไม่ไม่ได้มีปรากฏในพระไตรวิฎกนะครับแต่เป็นในเรื่องของอาจารย์รุ่นหลังได้เขียนเล่ามาว่ามีพระรูปหนึ่งนะจำพรรษาอยู่ในถ้ำแล้วหน้าถ้ำจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีลูกปีหนึ่งจะออกลูกครั้งหนึ่งแล้วลูกนี้ก็จะล่วงหล่นลงสู่พื้นพระรูปนี้จะมีอินทรียังวรมีความสมรวมเป็นอย่างมากนะจะก้มหน้าอยู่แต่กับนะอยู่กับ สิ่งที่อยู่ปรากฏเฉพาะหน้าจะไม่เห็นมองข้างบนเหลียวซ้ายแลกว่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นพระรูปนี้เวลาออกมาจากถ้าเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าขนาดนี้นะต้นไม้ต้นนี้ออกลูกแล้วหรือ ย, ยังจากรู้ก็ต่อเมื่อ <c oughs> มันหล่นอะมันหล่นลงมาแล้วก็ดูปรากฏอยู่ที่พื้นมีการสันเริญว่าพระรูปนี้มีอินทรียังวรหรือมีการสารวมอินทรีย์อย่างดีมากเลยทีเดียวนะตลอดเวลาหลาย10ปี น, นะ ก็จะรู้จากการที่ต้นไม้นั้นหล่นมาที่พื้นทุกครั้งเลยทีเดียวถามว่าอินทรีสังวรในความหมายที่กล่าวถึงนี้ถูกต้องหรือไม่เป็นอินทรีสังวรที่เรียกว่าอินทรีสังวรอย่างแคบอินทรีสังวรอย่างแคบนี่ก็ได้แคบๆได้ผลเหมือนกันในผลสังวรจริงเหมือนกันแคบแล้วก็กรงๆทื่อๆก็จะได้ผลประโยชน์เท่านั้นมันจะไม่เกิดมูทุภูเตวาย มามีปฏิพานเฉียบแหลแ ม, มก็รู้คล่องรู้แคล่วมีวสีแคลวล่องอะไรจะไหมหรอกจะทื่อๆอย่างนั้นนะมันก็สังวรจริงๆเราคือกดข่มแข็งตื่ออย่างนั้นมันจะได้ลูกเดียวท่าเดียวมันก็สัมรวมจริงๆอะนะสํารวมจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพอฟังคําว่าสํารวมอีกนิดหนึ่งคําว่าสํารวมไม่ได้หมายความว่าจะต้องคุมแจแล้วก็แข็งเป๊กอย่างเง้ยไม่ใช่สังวรสํารวมมันนี่หมายความว่าเราจะต้องมีปฏิพานปัญญารู้รอบว่า อะไรเป็นอาการอย่างไรอาการทางตาที่ประสบรูปประสบอาการทางหูที่ได้ประสบเสียงแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่านแวไวไวเข้าไปแล้วก็รู้สามารถสํารวมนีนหมายความว่าระมัดระวังอย่าให้กิเลสเกิดสรุป ง, ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะแค่คล่องเราจะแงน่ า, งง า, งงาเงยหน้ า, งงาเงยตาไม่หลอกแหลกจนเกินการไม่หลุกหลีกจนเกินไปน่าเกลียดมเาเปน็นสมณะก็มีท่าที ยังกลายรีบทนนนี่สุภาพเรียบร้อยก็ดีแล้วแต่ถ้ามันแข็งดื้อถืออย่างนั้นเกินไปก็สำรวมมือนการได้สำรวม แคบแคบมัน <จะ S 2> แคบไ ป, ไปหน่อยครับผมสนใจที่พระท่านพูดถึงเรื่องอปันนากรรมปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติที่ไม่ผิดเนี่ยมากทีเดียวอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ผิดถ้าปฏิบัติตมมานน ม, ตตมหลักนี่แล้วถึงนิพพานแน่เรัคราวต่อไปอผมอยากจะให้พ่อ อ, อยากจะกราบนิมนต์พ่ะท่านมาสู่รายการเพื่ออธิบายคําว่าอปันนกรรปฏิบัติตให้พวกเราได้เข้าใจกันสักนิดนึงได้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยทีเดียวเพราะสนใจตรงที่ว่าปฏิบัติแล้วไม่ผิดนี่แหละอไม่ผิดถ้าปฏิบัติเข้าลักษณะที่จังนี้แล้วไม่ผิดแล้วไปถึงนิพพานเป็นปาอริยะได้นะครับ นี้ผมต้องกราบขอบพระคุณเพราะท่านสมณพติรักที่เสียสละเสียสละเวลามาสู่บรรยากาศของรายการตรงนี้นะครับรวันต่อไป<ำ>ผมจะกราบนิมนต์พระท่านมาสู่รายการอีกนะครับครับกราบน้ำสการครับจเจริญธรรมทุกๆคน